ก็เป็นรสัตว์ที่ยินดีในวัฏตะท่ไปแต่ร้อนจริงโว้ยก็บอกว่าวนทุกมากทุกมากสมวังผิดวังเศร้าใจเสียใจดีใจได้ลาเตื่อมลาบได้ยอดเตื่อมยกหรว่ากันไปนี่ก็ท่องเที่ยวไปมาอยู่ใช่ไหมเรยนอย่างนี้ที่นีว่าก็คือว่า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 คือตัวโมหะแท้ไม่ได้ไ ม, ไม่มีฮะก็ตัวโมหังก็ตัวมิจฉายานะลยก็ตัววิมันเหมือนสภาพที่คล้ายปัญญาก็ชีพศ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 อาสวะขยายานก็ทำอาสวะให้สิ้นเป็นต้นในอัมพัทสูตรในคำพีธีขณิกายศีรคันธวัไปดูท่านจะกล่าวเข้าไว้ในวิปัสนาญาณมโนมยมโนมยิทธิญาณอิทธิวิธิยานที่โสตา ย, ายานเจโตปริยญาณเป็นต้นอัตถกถาของขุทขกานิกายปฏิสัมพิธามมรักก็จะกล่าวเรื่องของอธิบายขยายความเจโตปริยญาณเาไว้เนาะ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 นั่นแหละคือศีนนั่นแหละเป็นสารนณะเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงใช่ไหมเราไม่รู้ไงเนี่ยเห็นไหมตาสิโ ก, ก้ควบแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าศีลเป็นธรรมังสารณะกระฉามมีเอาสิเนี่ยเอาสิเนี่ยนี่เนี่ย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 สมาทานอยู่ในศิกขาสมาทานอยู่ในในศิกขาบทอยู่เนี่ยสมาทานศึกษาอยู่สมาทานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายศึกษาสิกขาสิกขาสิกขามาจะคําว่าสําเนียกก็ได้มาจะคําว่าสิกติสําเนียกก็ได้ศึกษาก็ได้ใช่ไหมและอีกคํานึงแปลว่าอะไรถ้าภาษาโบราณยิ่งก็ใช้คําว่าสําเนียก